ขอตันนอกน้ำพระบรมธาตุพรและท่านพระเจราญิเทราทุกทุททททและขออนุโมทนาต่อท่านเจ้าอาวาสและพระวิปัสสนาจารย์ที่เท่ารับการฝึกปฏิบัติกรรมฐานทุทกอคุ ปรัษบบนากรรมฐานของพวกเราเนื่องจากว่าได้มาฝังฝังไว้ที่วัดตานีตั้งแต่วันแรกมาจนปัจบันนี้ในฐานะผู้กำกับดูแรงในนามของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธเจ้าวง์เจ้าคณะใหญ่ยยของกลาง ก็จะต้องมาติดตามและก็รายงานให้เจ้าประคุณจาคณะใหญ่ขลป่านได้สร้างความเป็นมาเป็นไปเพราะดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วว่าการปฏิบัติกรรมฐานนี้เป็นนโยบายของเจ้าคณะใหญ่ขนป่านและท่านอยางได้อุปถัมภ์ปรบมา ดิการบริจาคจากก อ, องทุนเล่าเรียนหอวงบ้างอะไรบ้างฉะนั้นเจะเป็นความสนใจส่วนตัวของเจ้าประคุณสมเด็จซึ่งเมื่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จเขารับตำแหน่งใหม่ๆท่าในได้ให้ในโยบายว่า การจะยกย่อมพระสังฆาธิการให้ขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเช่นเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าคณะสูงสูงขึ้นหรือตั้งในสมณศักดิ์เลื่อนสมณศักดิ์ให้พิจรารณา ผู้มีคุณสมบัติแบ่งออกเป็นสามกลุก่มแบ่งเป็นสากลุก่มกลุ่มที่หนึ่งคือผู้บริหารคณะศบเรียกว่าพระสังขาดิูกตามเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าอาวาส และบริหารงานหน้าที่ที่รับผิดชอบสำเร็จรูวล่วงด้วยดีนี่ก็เป็นกลุ่มที่หนึ่งตามนโยบายของท่านนะผมมาพูดตรงนี้คือถ่ายทอดจากนโยบายของเจ้าคณะใหญ่ของกลายรูปปัจจุบันกลุ่มที่หนึ่งคือ ต้องยกย่องผู้ที่รับภาระในการบริหารอย่าท่านหลายท่านหรือส่วนใหญ่เป็นจวาวาดก็ทำงานในหน้าที่จ้าวาดซึ่งเป็นจน้านณตำบลเจนาคณะอเภออะไรดรว่อยไปอันนี้เป็นราในกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มการศึกษาในส่วนตัวจบป ร, ริญยาธรมชั้นสูง หรือมีการศึกษามหาวิทยาลัย2หรืออะไรก็ตามยกย่องผู้มีการศึกษากลุ่มที่สายกย่องผู้มีองคุณองคุณผมจำไทยคำไม่ได้แต่แต่ไหนแต่ก็มีองคุณมีคุณสมบัติ ในด้านปฏิบัติกรรมฐานวิปัสนาจารย์ย่อมรวมไปถึงย่อมๆผู้ที่เป็นพระคณาจารย์มีด้านการเผยแผ่เทศสอนมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะ จะสอนกรรมฐานสมัยก่อนเทศนาจารหรือจะสอนเป็นนักเทศทั่วไปกะดับส่วนมากเรามักจะได้ยินว่ากลุ่มที่หนึ่งคือเจ้าคณะผู้ปกครองมักจะได้เลือกได้ตั้งสมณสาร ในสายการศึกษามักจะไม่ค่ยได้กว่าจะมาอาจารย์ใหญ่เนี่ยจะว่าเลือกไปไหนล่ะแล้วยิ่งนักเทศนักสอนกรรมฐานเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้รับการเจจารณาแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเราได้รับการส่งเสริมในสารกลุ่ม ไม่ยิ่งหย่อนขวงกันในสายปกครองท่านก า, าสตร์แล้วเราก็ยกย่อมกันทั้งสมรศรศักทันตำแหน่งในสายกาศรศึกษาสานักเรียนบาลีที่ประสบความสำเร็จจนได้เป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคุณกันมานา น, อานพอสมควรแล้วตอนนี้ยังมีสายมหาวิทยาลัยศพอีก ซึ่งผู้บริหารธ น, นาจารย์ของมหาวิทยาลัยศพเนี่ยได้สิทธิพิเศษเหมือนกับพระธรรมทูสตสายต่างประเทศในการที่จะได้เป็นได้สมรสัสมสตมีพิเศษนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วส่วนสายวิปัสนาจารย์และสายเผยแผ่ ตั้งแต่ปีที่แล้วท่านท่านสังเกตนะครับจะยบย่อมพระวิปสัสสนานที่มีเป็นย้าพุนเนี่ยในราเชเสนาที่มีับว่าภาวนาภาวนาคนละหนึรูปเป็นเจ้าพุนขึ้นหนะึ่งบางทีเป็นเจ้าวาดราวนานี่ยหลยยกขึ้นเป็นพระราชาชนะท่านอาจจะไม่สังเกตตั้งแต่ปีที่แล้วเราให้โพต้า สี่หมนบวกปทมปีนี้ก็เหมือนกันเป็นเจ้าอาวาธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยยกขึ้นเลยโดยเจ้าประคุณเจ้าคณะใหญ่บนปาเนี่ยท่านจะปรึกษากับเจ้าคณะใหญ่ทัางหว่จะเอาไปไม่ต้องเสนอเลยนะไม่ต้องเสนอ แม้แต่เป็นพระราชาคณะชั้นสูงขึ้นแล้วแต่ถ้าทำงานด้านกรรมฐานนี่ท่านก็ยกย่องไม่ขัผดผมเสนอลงไปขับทำงานด้านกรรมฐานปีนี้ก็มีแระเดียวไม่ต้องเสนอก็มหมายความว่าเรามียกย่องผู้ ที่ทำงานด้านการสอนกประฐานด้านการเผยแผ่ถ้าท่านจะเจริญในพระศาสนาต่อไปเราก็ได้รับการยกย่องในส่วนพระวิปัสสนาจารย์น้ท่านผูกฝังประสบการณ์ในการปฏิบัติในการสั่งสอนอย่าโยงไว้ก็มีเา เ, าเรียกว่ามีเส้นทางมากขึ้น ในการได้รับการยกย่องตามพุทธพจน์ที่ว่าปักขันเถปักขาหารหั่นยกย่องคนที่ควยกย่องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาพูดในเชิงนโยบายในเชิญบวกก่อนส่วนนิคขันเถนิข า, ารหั่งข่มคนที่ควรข่ม ก็หมายความว่าถ้าไม่ดำเนินตามนโยบายนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้รับการส่งเสริมหรืออาจจะมีโทษผมก็ได้เรียนกับท่านเจ้าคุณรองธนาภาครอบเจ้าคุ น, นภาคสองวันสำหรับพวกเราที่เป็นจ้าคำว่าใหม่แล้วไม่มาเข้ารับการอบรมกันต้นเนี่ย ก็จะต้องเข้ารับการอบรมในปีหน้าและถ้าไม่ได้รับไม่เข้ารับการอบรมก็จะมีลักษณะเหมือนกับว่าท่านไม่ได้ผ่านการอบรมที่วัดพิชัยญาหรือสมัยก่อนคือวสัมพ ย, ยานเขาก็จะมีรายชื่อผู้ที่ขาดแจ้งไปที่เจ้าคณะใหญ่เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสุดอบรมจเจ้าวาดใหม่ ถ้าท่านขาดหรือไม่ผ่านชื่อของท่านก็จะรายงานไปที่จจ้าคณาใหญ่ผ่านเจะรคณะภาคไปแล้วก็จะติดติดรอนรี่ยนะคือไม่สำเร็จเหมือนไม่ได้รับการอบรมในฐา น, นะเจ้า่าดใหม่ห้าปีถ้าเกิดท่านจะขอสมณศักด์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้จะขอเลื่อนสอไมได้ จนกว่าจะไปผ่านฝึกอบรมที่วิทยาลัยเสร็จนั่นก็มาหารเสร็จนะครับทีนี้ในส่วนของปฏิบัติอยู่ที่นี่แล้วฝ่ายควบกากับดูแลถึงว่ายัางไม่คองขันเพื่อแงว่าคื อ, อยังไม่สมบูรณ์ท่านก็จะต้องทำให้สมบูรณ์ ไม่ว่าจะปีที่แล้วปีไหนก็ตามเป็นเหมือนกันทุกจังหวัดในบทกลางนะครับไม่ใช่เฉพาะที่ภาคสองคำว่ า, าทำให้สมบูรณ์ก็คืออาจจะต้องไปปฏิบัติเสริมต่ผมเรียนท่านรองเจา้าคณะภาคสองว่าอาจจะต้องให้พวกเราไปปฏิบัติเพิ่มเติมกี่วัดก็แล้วแต่คณะกรรมการจะตกงลงกัน ที่ผมเรียนอย่างนี้ก็เพื่อให้ทราบว่าไม่ใช่เป็นนโยบายของระดับภาคเพียงเดียวเจ้าคณะใหญ่ท่านเป็นภาระหางบประมาณมาให้เราเอาใจใส่ดูแลทุกภาคในบทกลับเพราะฉะนั้นในเชิงนโยบายก็ขอว่าพวกเราก็ต้องตั้งใจให้สมกับที่ทานผู้ใหญ่ จะประคุณสมเด็จท่านเอาใจใส่และท่านก็ติดตามส่งเสริมสนับสนุนไม่ใช่เฉพอในเรื่องงบประมาณแม้กรท่านความดีความชอบการเลื่อนสรารสัเทศอะไรต่างๆท่านก็ดูแลจากที่ผมได้เรียนมาอันนั้นเป็นเรื่องแรกที่ผมจะปรารถในการมาพบในฐานะเจ้าคณะภาพ แต่ในฐานะที่มาร่วมอนุโมทนาในส่วนตัวของท่านทั้งหลายที่เข้าปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานก็ดีในฐานะเจ้าคุณเจ้าวายและวิปัสนาจารย์กต็ต่างท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นด้วยตนเองแล้วว่าการปฏิบัติกรมกรมฐานมันช่วยเปลี่ยนชีวิต ของคนเราได้จริงหรือไม่เมื่อเราปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างไรสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติใหม่เนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าก่อนปฏิบัติ สติมันเกิดไม่เคยถันสติมันมากำกัดรู้สภาวะสภาวะทำไม่ว่ากายไม่ว่าเวทนาไม่ว่าจิตว่าธรรมเนี่ยมันเกิดชาหรืออาจจะไม่เกิดคือทาอะไรแล้วเรามัดจากขาดสติเพราะขาดสติเนี่ย มันเกิดปัญหาชีวิตมากมายแต่ถ้ามีสติมันจะมีปัญญาสติมาปัญญาเกินสติเตลึกมักเกิดปัญหาถ้าเรามีปัญหาชีวิตเหตุของปัญหาเันมาจากเราขาดปัญญาเราขาดสติ เรามีปัญหาคือความทุกข์เน่แหละครับความเครียดความทุกข์ความขัดแยง้งการผิดศีลผิดกฎหมายไม่ว่าอะไรที่มันเป็นเหตุของความทุกข์เนี่ยมันมาจากตัวขาดสติภาษาพักเขาเรียกความประมาทความประมาทคืออยู่อย่างไม่มีสติ อยู่อย่างไม่มีสติและท้าเรียกว่าประมาทคำเดียวนี่มันสำคัญขนาดไหนผู้ประมาทประมาโทโฮมัจจุโนโประทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปะมาตายถามะตาคนที่ประมาทก็เหมือนคนตายเราก็ท่องเราก็เทศเราก็พูดกัน แต่จริงๆมันคืออะไรที่ว่าสติมันเกิดไม่ทันแล้วมันทำให้เกิดความประมาทเป็นยังไงพูดทั่วๆไปอย่างนี้กันแล้วกันท่านเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราจึงตามรู้จิตของเราไม่ทัน ล้วโกรธขึ้นมาเราอยากด่าเราก็ด่ า, เร า, า, า, าเราอยากขโมยเราก็ขโมยเราอยากฆ่าก็ฆ่าไม่รู้จักกันขับรถไปบนถนนเขามาปาดหน้ายิ่งเลิศหนนักศึกษาในจังหวัดหนึ่งโกรธคู่รไปพาเพื่อนมาเพื่อตาง ทำร้ายไอ้คนนั้นไปถึงหอพักไปถึงหอพักของนักศึกษาคู่อริตัวเองพาพวกไปตั้งยี่สิบคนไม่เจอคู่อริแต่ไปเจอเพื่อนของคู่อริก็เอาเหล็กแหลมแทงไปที่ท้ายทอเจนเขาตายเหยียบลงไปไม่รู้จักอเลร สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากๆมาถนนแถวนี้เาานี๋ยสมัยเร็วๆต้องระวังก็อนอิดไม่รู้มาจากไหนป่าเข้าไปที่กระจกไปโดนคนตายกนนีมันเหมือนกระสนเลยไม่รู้จักอะความโลภขาดสติ ยั้งคิดสัหน่อยพอโลกขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะได้โดยไปทำให้ลถมันปั้งแต่คนมันตายมันเดื อ, รอดร้อนไปเท่าไหร่ลูกหลานของเราเนี่ยบางทีมันยั้งคิดไม่ทันวัยรุ่นใจรอ้อนทาําส่วนอันนี้โกรธกันก็โลกโกรธหลงเดี๋ยโลกก็ไป ทำแบบคือว่าโกรธก็ไปฆ่ากัานตายโดยไม่รู้จักความเท่าเนหลงหลงผิดก็ทําให้เข้าใจกันผิดทะเลาะกันกลัวสุดขีดกลัวอะไรเช่นกลัวผีช็อกก็มีเข้าโรงพยาบาลไข้หัวโกรธทั้งๆที่ใบไม้ไหวธรรมดา หรือเพื่อนหลอกกันเอาผ้าขาวคลุมเจาะลูกตาโกระวิง่งแนบป่าร่าโลภ โ, รโลกรธหลงเกิดขึ้นในจิตแล้วมันตัวกระตุ้นให้เรามีพฤติกรรมคือลงมือถักไปตามความโกรธเราก็ด่าล้วก็ฆ่าแล้วก็ตีโลภเราก็แย่งชิงเราก็ขโมย หลงเราก็ตัดสินใจทำอะไรที่มันเสียใจภายหลังพูดอะไรที่ทำให้แตกกันไปแทนที่จะยั้งคิดสักหน่อยก่อนพูดก่อนทำอะไรก็ตามเซ็นเซอร์ตั ว, ตวเองตรวจสอบก่อนไอความรู้สึกโลภเรากลัวจะตา่างกันไหม โกรธควจะทาใจทำตามความโกรธไหมหลงควจะทาตามใจความหลบไหมเซ็นเซอร์ไม่ทันเบรกไม่ทันสังคมทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราได้พระสงฆ์พระคุณเจ้าทั้งหลายไปช่วยกันเทศกันสอนให้คนใส่เบรกก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำอะไรต่างว่า เราอย่าทำไปตามอำนาจของความโลภอยากได้เกินไปอย่าพูดไปตามความโกรธอย่ามือพิมีพฤติกรรมไปตามความหลงเนี่ยบ้านเมืองมันจะปกติสุขมันจะเลิกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งทัศแบ่งพวกแบ่งสีแล้วจะกลับมาดีกันพร้อมดองสมานนิจฉพระสงฆ์มีส่วนมาก แล้วเราขาดพระที่จะไปช่วยตต่มสติแก่สังคมดีไม่ดีพระเองนี่แหละขาดสติไปฝักฝ่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ยุยงให้แตกันพะบิดแล้วขาดสติสังคมไทยหราโทษใครถ้าลูกไม่ ถ้าลูกชั่วโฉดเขาโทษพ่อโทษแม่สิษ์แสชั่วโฉดเขาโทษครูสอนพระประชาชนชั่วโฉดเขาโทษถ้ารูทรนคือผู้ปกค ร, รอง แต่ถ้าทั้งหมดทั้งแผ่นดินปวกไี่กอชั่วโชนเขาโทษเจ้ากูคือพลัดไม่สังสอนโดนกันหมดนะเธอเด็กในหมู่บ้านไม่ดีก็โทษพลัดได้ครูไม่ได้เลือนก็โทษเรากำนังผู้ใหญ่บ้านก็นหามว่าเจ้าวาที่เตือนโบราณก็อย่างนั้นปณิทมันอยู่ตรงที่ ไม่มีใครเตือนใครครับเตือนสตินึกจะพูดก็พูดนึกจะด่าก็ดา่านึกจะตีก็ตีนึกจะขโมยก็ขโมยมันเหมือนกับไม่มีคือมีแปลไม่มีการเซนเซอร์ไม่มีการตรดจสอใครที่ทำอย่างนั้นเขาเรียกขาดสติแล้วเวลาท่านมาปฏิบัติท่านก็จะรู้เลยว่า ดีที่สุดพอความโลภเกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นในจิตเรารู้ทันเจริญพองยุบเลยนะจิตโกรธก็รู้ว่าจิตโกรธจิตโลภก็รู้ว่าจิตโลภจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิ ต, จ ต, จ ต, จ ต, จตฟุ้งซ่านและเราก็จัดการให้มันสงบดีที่สุดแต่ไในทางปฏิบัติเนี่ย ดีที่สุดไปกว่า น, นั้นก็คือไม่มีจิตโกรธไม่มีจิตโลภไม่มีจิตหลงเป็นพระอริยเจ้าพอพระอริยเจ้าท่านไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงท่านก็ท่านก็เหมือนกับมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาคือมันไม่มีแรงจูงใจฝ่ายอคูสนมันจะมีแรงจูงใจฝ่ายอคูสนโสมพนะเจตสิกทีนี้เรายังเป็นอุทเชนเนี่ย ยังไงยังไงมันก็จะต้องมีแรงจูงใจฝ่ายอคูศตโลกโกรธหลงซึ่งเป็นรากเง่าเป็นตัวหัวหัวโจกเป็นตัวกระตุน้นทุกคนเนี่ยแต่เราจะเปลี่ยนความโลภให้มันเป็นความรักได้ยังไงตัวเมตตากับความลาคามันใกล้กัน ความโลภราคะเราเปลี่ยนให้มันเป็นความรักความสงสารความมิตรกินใจกนะ่นเขาเรียกว่าน้ำเสียนะเราก็มากรองกรองมันเนี่ยให้มันเป็นน้ำใสน้ำเสียที่ออกไปจากบ้านเรือนเนี่ยลงไปในท่อเลยนะถ้าเราปล่อยมันลงแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำเจ้าพยาก็เน่า แต่เขาบาบัดน้ำเสียนะ่ในประเทศที่เจะรือแล้วเนี่ยเราไปไปสิงคโปร์ไม่ต้องไกลไกลกบสิงคโปร์แค่นี้แหละทำไมทะเลเขาไม่เน่าแต่พอเราไปพัทยาไปบางแสนทำไมมันน้ำมันไม่ใส่ก็เพราะว่าเขามีกฎหมายในสิงคโปร์เนี่ยทุกบ้านจะต้อง ทุกตึกทุกหลังจะต้องมีที่เก็บน้ำเสียถ้าเป็นไม่ได้คือกรองให้มันใสแล้วจึงปล่อยลงทะเลแต่ถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆอย่างเมืองชิคาโก้ย น, น้ำทั้งหมดในเมืองเนี่ยซึ่งคนอยู่เป็นสิบสิบล้านเนี่ยนะตึกสูงที่สุดในอเมริกาตึกเสี ย, นยในโรงแรมทั้งหลายเนี่ยพอใช้น้ำเสียเนี่ยมันจะลงไปอยู่ในท่อ ข้อใต้ดินเนี่ยนะแล้วมันก็จะไหลไปรวมกันอยู่ที่จุดจุดหนึ่งในใต้ดินเนี่ยนะจากนั้นเขาก็จะสูบขึ้นมาเอาไปไว้ในทุ่งซึ่งเขาเตรียมไว้เฉพาะให้แดดมันส่องแล้วค่อยๆทำพิธีกวนบําบัด ใ, ใส่สันจนกระทั่งใสเพอน้ำใสแล้วเพยยื่อที่จะปล่อยลงทะเลสาบวิชิแก็ต ทีนี้ท่อที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยนะลึกไปเป็นสามร้อยฟุตเนี่ยเขาให้คนลงไปดูได้เยเคยลงไปดูแล้วเป็นลิฟต์ลงไปรถไฟสองขบวนนี่มันวิ่งสวนก็ได้เลยในท่อเก็บน้ำเสียเนี่ยทำไมเขาให้ลงไปดูเขาให้เขาบังคับนักเรียนทุกคนน่นักเด็กประถมเนี่ยต้องลงไปดูทุกคน เด็กพอไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าโอ้โหไอ้น้ําที่เราเปิดก๊อกทิ้งเนี่ยเอเวลาแปลงฝันเนี่ยนะมันไหลลงไปใต้ดินเนี่ยกว่าจะทําให้ใสเหมือนเดิมเนี่ยมันจะต้องเสียเวลาไ ป, ไปเป็นครึ่งเดือนหนึ่งเพื่อให้ใสเหมือนเดิมแล้วก็กลับไปลงเอ่อไปลงทะเลสาบแล้วก็เอามาทําเป็นน้าประปาเขาสอนเพื่อให้เด็กเนี่ยระวังว่าจะใช้น้ําอะไรให้คิดนะ เพราะกว่าจะให้ใสเหมือนเดิมเนี่ยมันเสียเวลานะผลก็คือพอเด็กทุกคนไปดูแล้วเนี่ยเด็กลเล็กๆเนี่ยนะกลับมาบ้านมันจะมาเตือนพ่อเตือนแม่แม่อย่าไปเปิดน้ําทิ้งเวลาทำกับข้าวพ่ออย่าไปเปิด เ, เวลาเปิดฝันอย่าไปเปิด น, น, น้ําใส่ก๊อกเพราะว่าทิ้งโลงไปตอเปล่าเพราะกว่าจะทําให้สะอาดมันเสียเวลานี่ น้ำเสียกว่าจะให้เป็นน้ำใสมันเสียเวลาบำบัดเท่าไหร่จิตที่เสียด้วยความโลภความโกรธความหลงกว่าจะเป็นจิตที่ใสเนี่ยนะกรองออกมาเนี่ยกว่าจะมาถึงสีหน้าเรามือเราปากเราเนี่ยมันมีเครื่องกรองรอเปล่าถ้าไม่มีเครื่องกรองนะนะ ไอ้น้ำเสียที่มันเกิดขึ้นในจิตจิตมันมีทั้งน้ำดีน้ำเสียถ้าน้ำดีมันออกมาใช่ไหมหน้าตาเราก็ผ่องใสมีเมตตากรุณ า, า ว, วาิตารวิบาใครก็เห็นแต่ถ้าเกิดมันคุณละ่ะแล้วพูดถึงจิตที่คุณอนาวิลังจิตคุณขึ้นมาคุณมัวถ้าท่านไม่กรองมันเนี่ย มันก็ออกมาทางตาทางหูทางปากทางมือทางอะไรต่างเป็นวีติกกมรรมกิเลสไอ้เจตที่มันเป็นอนุัสเนี่ยมันตกตะกอนพอท่านไปนกลวขุนมันเป็นปริยุทธานกิเลสความโลภความโกรธความหลงแล้วถ้าท่านไม่คลองมันก็ออกมาเป็นอะไรคว า, ามโลภกลายเป็นพยาบาทปองรายไอ้คว า, ามโลภกลายเป็นอภิชัยอยากได้ของเขา เพ่มากๆเขาก็ไปขโวยเขาไปปล้นไปจี้เขาความโกรธกลายเป็นพยาบาลเพราะท่านไม่กลองความหลงกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอยากทำน อ, องพร้อมทำฉะนั้นกระบวนการการกรองเนี่ยมันคือกรองแบบหยาบที่สุดหินฟ้อนใหญ่ๆท่างเคยเห็ ก่อจะกรองน้ําเนี่ยนะก่อนจะทําน้ำดื่มเนี่ยมันจะมีหินใหญ่ๆก่อนทรายและวเพิ่มมาละเอียดยิบเลยน้ําผ่านจะ ใ, ใสไอ้ไอ้หินก้อนใหญ่ๆหรือตัวใหญ่ๆเนี่ยขเขาเรียกระดับสีกรองก่อนที่มันจะออกมาทางกายทางวาจาไม่ให้มันออกมาอาละวานะนี่ระดับสี ที่มันละเอียดลงไปหน่อยเป็นจากก้อนหินเป็นก้อนตรวดอันนี้สมาธิแล้วละเอียดยิบเลยนะคือทรายเนี่ยนะที่กรองน้ำเนี่ยนะคือระดับวิปัสสนาระดับปัญญาสมมาท์นี่เป็นระดับกลางวิปัสสนาเป็นระดับละเอียดยิบเลยส่วนศีลเนี่ยอยู่ข้างนอกเป็นก้อนตรวดใหญ่ๆเอาละ ทีนี้กระบวนการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นก้อนอิดก้อนปรวดเมล็ดล ส, สา ย, ยกระบวนการที่ผ่านตรงนี้เนี่ยกรองเนี่ยมันคือสตินั่นเองสติที่ตามทันละเอียดยิบข้างในเนี่ยเหมือนสายเนี่ยคือผู้ที่พัฒนาสติได้อย่างดีอยา่างพว่งพันมาปฏิบัติศาสนากรรมฐานพอเริ่มกรวดปุ๊ดับได้เลย พอรู้ว่ากรวดก็ดับด่งอันนุนสายมันฟูระดับกลางก็คือเม็ดกรวดเล็กๆมันออกไปอีกเพราะที่จริงมันต้องเข้าอย่างนี้นะแต่ว่ า, าให้เห็นภาพกันต่่าเกิดมัรลอดมาจากตรงนั้นอีกสายไอ้กรวดคอยกันนี่คือสมถันสุดท้ายไม่ให้ อะไรที่มันจะออกมาข้างนอกมากในเช่นว่ามาันละเมิดถ้าเราทับจับมันไม่ได้เนี่ยคือถ้าถ้าเราไม่มีชั้นในคือทรายก็หวังว่าชั้นกลางคือกรวดมันจะกักให้แต่ถ้ากรวดเราก็ไม่มีก้อนหินไม่ให้พวกหมาเน่าพวกอะไรมันออกมาอารวาสข้างนอกทางปากทางหูเราเป็นครูถากพาณีพูดเหมือนกับแม่ สิ่งที่ไม่ดีดินทาเขาอะไรเ้าเนี่ยเราสติละเอียดเราก็ไม่มีกลางก็อย่างมี้เอาอย่างๆขอไม่ให้เราเมิดอสียไม่ให้ไม่ให้ด่ากันไม่ให้ฆ่ากันไม่ให้โกรกกึ้นละเอียดสติมันละเอียดไม่เท่ากันชาวบ้านเนี่ยมารักษาศีลก็จเจริญสติท่านท่านอยากกว่าจะรู้ตัวก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ เส้นขึ้นความดันขึ้นปวดหัวอาฆาตพยาบาทอยากฆ่ามันแต่มีศีลปาณาห้ามฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าคนเราไม่ฆ่าแมวเราไม่ฆ่าคนไอ้อิดก้อนใหญ่ๆมันกันไว้ไม่ให้ไอ้สิ่งไม่ดีข้างในมันออกแต่บางคนมีสติโกรธดับความโกรธได้ ทานปริยุทธ์ามนะั่นเนี่ยเอาตองตรวจมันขั้นไว้แต่บางคนแม้แต่จะเจตโกรธก็ไม่เกิดมันประณีตมาถามว่าในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกสติเราทําได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาแทบมีเครื่องติดเข้ากับหัวเราเนี่ยเขาดูว่าเวลาเราเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ย มันไวขนาดไหนเขาเอามาเสนอในการประชุมวิสาขาบูชาโลกที่พวกท่านปฏิบัติอยู่เนี่ยขาจัดประชุมวิสาขาบูชาโลกแล้วเชิญนักวิทยาศาสตร์พวกแพทย์มาสแสดงมาเล่าให้ฟังว่าสติทำไมมันเกิดม่ทันเขาบอกว่าตัวที่สั่งให้เรา พูดให้เราทาเนี่ยมันมาจากสมองเขาแท็บคือมีเครื่องเขาเรียกว่า EEG เนี่ยวัดการทำงานของสมองฉายภาพการทำงานของสมองเรียกว่า MRI เวลาเราไปเข้าเครื่องเขาทดลองคนนะเป็นร้อยคนทนาทำมานานแล้20ปีแล้วตอนนั้นแค่ให้ใหกดสวิตช์ไฟ ท่านกดสวิตช์ชไฟเปิดไฟเ ป, ดไปเปิดปิดไฟโดยเอาเครื่องวัดการทำงานของสบอกว่ากว่าเราจะ ก, กดสวิตช์เปิดปิดเนี่ยคำสั่งมันมาจากไหนน่าสนใจนะอะไรสั่งให้นิ้วเรากันอีกเนี่ยผมยกแก้วขึ้นมาเนี่ย ดื่มน้ำเนี่ยถ้าสมองไม่สั่งมือมันทำได้ไมไม่ได้ทุกอย่างมันเกิดโดยกระบวนการสั่งจากสมองแขนขวาเนี่ยยกแกว้วแล้วก็วางบางคนเนี่ยนะยกน้ำขึ้นมาดื่มแล้วก็วางลงเนี่ยโดยไม่รู้ตัวจริงหรือไม่ และถ้าสมองไม่สั่งท่านยกได้ไห้ไม่ได้และถ้าสมองไม่สั่งยกไม่ได้จริงคนที่สมองซีกซ้ายมีเลือดข้างเขาเรียกเส้นปละสาในสมองแตกเนี่ยซีกขวาพิการหมดเลยสมองซีกซ้ายคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายซีกขวา คนที่เป็นอามาพึ้งคึ้่นซีกเส้นโลหิดในสมองแตกมันเป็นกดทับประสาทซีกขวาไม่ทำงานถ้าเป็นซีกขวาซีกซ้ายเคลื่อนไหวไม่ได้ทีนี้ถ้าท่านเลือดาท่านจะเอาซีกไหนถ้าเลือดได้ผมขอให้เลือดซีกขวาครับเพราะอะไรเพราะถ้าเส้นเลือดแตกในสมองซีกซ้าย ท่านพูดไม่ได้ร้ะพูดไม่ได้การพูดมาจากสมองสีกสายฉะนั้นคนที่ความดังสูงโกรธแล้วเส้นโลหิตสมองแตกเนี่ยถ้าแตกซี่ซ้ายซี่ขวาเป็นอมัมพาตพึ่แตกทั้งหมดเป็นอมัมพาตไม่ได้อะไรเลย ถ้าเลือกได้ก็ให้พูดได้หน่อยสื่อสารได้ให้มันอยู่ตรงนี้ดีที่สุดนั่งกรรมาฐานเนี่ยนะครับมันจะได้ความตันไม่พวดแตกหมดนั่งกรรมาฐานเนี่ยดีที่สุดทีนี้พอมันเกิดการสัก่การผมยกแก้วขึ้นมาบางคนไม่รู้ครับบางคนไม่รู้ตัว จริงหรือไม่เช่นสมัยสงครามระเบิดพลงังอะไม่ใช่ครับไม่ใช่สงครามในญี่ปุ่นนะเขาไปปฏิบัติกับมาฐาน ก, นกันกับอาจารย์เซนอาจารย์ก็าบอกคุณสติทำสมาธินะทำอะไรให้รู้ตัวก่อนนะและก็สงบกาลังเทศกันอยู่อย่างนี้แหละครับอาจารย์กำลังสอนอยู่ แค่นดินไหวอีุบนมันไหวบ่อยบบึ บ, บ, บหลังคาไอ้ที่ในห้องที่มันบรรยายเนี่ยมันจะสุดลงอ่ะพระอาจารย์ก็เลยพาลูกศิษย์ซึ่งประมาณสิบคนได้ไปลงไปในห้องครัวและในห้องครัวมันมีโต๊ะอาหารครับโต๊ะใหญ่พาทุกคนไปหลบอยู่ใต้โต๊ะถ้าหลังคาพาังมาก็ไม้ โต๊ะใหญ่ๆนี่จะปกป้องไว้ทุกคนไปหลบอยู่ในนั้นพอไปหลบอยู่ใต้โต๊ะครับมันก็ยังไหวอยู่นะครับในในโรงครัวมันก็จะมีของแตกตาเกินตกมาจากตู้นะครับพวกอาหารอะไรเลยมาอยู่ใต้โต๊ะข <_ d ata> วดน้ำบ้างขวดน้ําปลาบ้างซีอิ้วบ้างไหลมา <_ d ata> พอเสร็จเหตุการณ์ครับทุกคนออกมาจาัดใต้โต๊ะอาจารย์ก็บอกเห็นไหมในยามวิกฤต เราต้องตั้งสติอย่าแพนิกอย่าแตกตืน่นต้องคุมสถานการณ์ให้อยู่มีสติตลอดเวลาและเราจะปลอดภัยอย่างวันนี้เนี่ยพวกเธอปลอดภัยเพราะอะไรเพราะอาจารย์ไม่แตกตืน่นไม่ตื่นตะนกพาพวกเธอออกจากห้องประชุมซึ่งตอนนี้พังลากเป็นหน้าปลอง g ถ้าเราอยู่ตรงนั้นตายหมดแล้วพาพวกเธอมาอยู่ในครัวแล้วก็ให้หลบอยู่ใต้โต๊ะถ้ายืนหัวโดอยู่ก็ตาย หรือไม่อะไรลนใส่หัวแต่นี่พวกเธอปลอดภัยทุกคนอยู่ใต้นี้เพราะอาจารย์มีสติไม่แตกตื่นดื่มน้ําอย่างเดียวยกขวดน้ําดื่มเห็นไหมลูกศิษย์หัวลอกกันหมดเลยครับคนวลอกทำไมอาจารย์นะครับไ้ลูกศิษย์คนหนึ่งมันก็บอกว่าอาจารย์ที่อาจารย์ดื่มเนี่ยดูให้ดีว่ามันอะไร อาจารย์ก็อบอกเพ่งดูน้ำสีอิว้วเข้มจะตายแต่บอกว่าน้ำไม่รู้หรอมันสติมนได้ระดับหนึ่งออกมาจากห้องประชุมเข้าไปอยู่ใต้โต๊ะแต่ละเอียดกว่านั้นมันไม่ทัดืมสีอิ้วช่วยเลยนะลูกศิษย์ก็เลยขับเพราะฉะนั้นละเอียดหรืออยางก็ใ้เป็นเกิเธอเอาตัวรอด ประมาณคาสติเป็นทางในความตายครับทีนี้ทำไมดื่มนะ้ำซีอิ๊วดยไม่รู้ตัวสมองสั่งไหมสั่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะสั่งอย่างไรครับผมที่เขาเขาเชื่อมกับสมองเนะี่ยเขาลองให้เรากดสวิตช์ไฟเปิดปิดเวลาเปิดปิดเนี่ยนิ้วกระดิกเนี่ยนะคำสั่งมาจากไหน คำสั่งมาจากสมองสมองมันจะแวบขึ้นในส่วนที่สั่งงานไอ้ที่มันไม่สั่งเนี่ยมันจะไม่มีเสียงไม่มีไฟแวบมันนะเขาเรียกว่าสมองมันทำงานโดยประจุไฟฟ้าครับมันวิ่งเข้าหาันเหมือนไฟฟ้ามันช็อตเนี่ยปุ๊บมันจะสว่างในจอมันจะบอกว่าตรงไหนมันสว่างแสดงว่าสมองส่วนนั้นทางานพอสมองเริ่มสว่างแสดงว่ามันสั่งให้มากด นิ้วดิเขาวัดเวลาด้วยครับท่านอยากรู้ว่ามันเร็วขนาดไหนตั้งแต่สมองสั่งมันจะถึงกดสวิชเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นาทีหนึ่งได้ไหมไม่ได้นานเกินไปวินาทีได้ไหมมันยังเร็วกว่าวินาทีอีกในอธิธรรมอ่ะชาวนาจิตอ่ะ 17ขณะเนี่ยมันเร็วกว่าวินาทีตั้งแต่สมองสั่งจนมาท่านยกแก้วเนี่ยนะครับวัดเป็นวินาทีไม่ได้เลยเขาเจนซอยย่อยวินาทีออกไปให้เล็กกว่าวินาทีถ้าเคยนักเก็ตไาเอผมเป็นเดนี่ยผมไปดูเอเขา ว, วิ่งแข่งร้อยเมตรเนี่ยนะมันชนะ ก, กันจุดเก้าวินาที เขาถ้าเรื่งองแบ่งกันวินาทีเป็นสิบส่วนใช่ไหมไอคนนี้ชนะไอคนรู้นไปศูนย์จุดสองเฉือนจมูกต้องเอาภาพมาดูอะในวินาทีแบ่งเป็นสิบส่วนและมันชนะไปสองส่วนของวินาทีวิ่งร้อยเมตรเนี่ยผมกมันทำได้ยังไงไอนั่นวิ่งทางกายนะครับวัดได้แบ่งวินาทีเป็นสิบส่วน แล้วชนะกันหนึ่งสองสามสี่ส่วนแต่พอพูดถึงความคิดวิทยาศาสตร์เขาไปไกลครับเขาแบ่งวินาทีเป็นหนึ่งพันส่วนครับหกไหกสิบวินาทีเนียเป็นหนึ่งนาทีเราก็ว่ายกเลยปรากฏว่าวินาทีเนียมแทนที่จะแบ่งเป็นหกสิบมันแบ่งเป็นหนึ่งพันส่วน มีสั บ, บัญญาด้วยครับในพจนานุกรมฉบับราชยูนันก็เก็บไว้หนึ่งพันส่วนของวินาทีเรียกว่าอะไรครับนี่ความรู้ใหม่ในพจนานุกรมเขาเรียกหนึ่งพันส่วนแบ่งวินาทีเป็นหนึ่งพันส่วนเนี่ยว่ามิลิวินาทีมิลิวินาทีเอามาจากอะไรครับเอามาจากกิลลเมตร มิลลิเมตรนีหมายถึงอะไรครับมิลลิเมตรหนึ่งมิลลิเมตรเท่ากับเปเมตรเป็นหนึ่งพันส่วนหนึ่งในพันของเมตรเรียกว่ามิลลิเมตรหนึ่งในพันของวินาทีเขาเรียกวมิลลิวินาทีแล้วมิลลิวินาทีเนี่ยหนึ่งพันส่วนเนี่ยเขาวัดการเกิดของ คำสั่งในสมองจนกระทั่งกดสวิตช์รับได้ความอย่างนี้ครับตั้งแต่ไฟว่างในสมองแปล ว, ว่าคำสั่งอยากกดสวิตช์เนี่ยเริ่มจากสมองก่อนจนเจ้าตัวต้องบันทึกว่ารู้ตัวตอนไหนว่าอยากกดแล้วไปจนถึงกดเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่มันมีสามขั้นนะ1ึงสมองสั่ง สอคนเรารู้ตัวว่าอยากกดสวิตช์สามกดสวิตช์ช่วงสมองสังมาจะถึงรู้ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าจิตใต้สานึกเป็นพระวัตัผลจิตเขาเรียกว่าสมองสังโดยที่เราไม่รู้ตัวเป็นอันคอนเชียสเป็นจิตใต้สานึกใช้เวลาตั้งแต่สมองสังมาจนรู้ตัวว่าอยากกดสวิตช์เนี่ยใช้เวลาส0มร้อย มิลิวินาทีสามร้อยน่ยพอรู้ตัวว่าอยากกดจนกระทั่งกดเนี่ยนะจากรู้ตัวว่าอยากกดจนถึงกดเนี่ยใช้เวลาสองร้อยมิลิวินาทีรวมเวลาตั้งแต่สมองสั่งจนลงกดเนี่ยสามร้อยขัแรกสามร้อยคืเรารู้ตัวพราถึงสามร้อยเรารู้ตัว พอสองร้อยจนกระทั่งท่านไปกดเนี่ยอีกสอ0ร้อยมิลลิวินาทีรวมเป็นห้าร้อยมิลลิวินาทีแปลว่าอะไรครับในหนึ่งวินาทีมีหนึ่งพันส่วนห้าร้อยแสดงว่าเป็นครึ่งหน 1, ึ่งของหนึ่งพันแสดงว่าครึ่งวินาทีครับจำง่ายๆผมถอดให้ตั้งแต่สมองที่ท่านสั่งเพื่อกดนิ้วเนี่ยใช้เวลา ครึ่งวินาทีท่านตามทันไหมสติท่านไม่ทันครับสามร้อยเลขไม่รู้ตัวจะไปทันทีน่ไหนมันเป็นพระวันคู ป, ปัดเชษฐพระวันท่านจานะพระวันคู่ปัดเทในอภิธรใช้เวลาสามร้อยวินาทีาสามร้อยมิวินาทีจากสามร้อยไปถึงสองร้อยเนี่ย ปัญจทวาระวชนะเนี่ยนะครับจนจะเป็นชวนะเนี่ยใช้เวลา200มิลลิวินาทีครับฉะนั้นถ้าท่านจะมีสติรู้ตัวเนี่ยนะครับสมมติท่านโกรธจนกระทั่งต่อยหน้าคนเนี่ยคิดจะต่อยเนี่ยมันเกิดขึ้นแหละแต่ท่านไม่รู้หรอกด้วยควา ม, มโกรธ300มิลลิวินาที เป็นจิตโกรธที่สั่งให้ต่อยคือเจตนาเจตนาหันพิฆเวกัมมังวะถาวิพิกสูทั้งหลายเรากล่า ว, วเจตนาว่าเป็น ก, กัมกรัมของท่านเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สั่งในสมองจนมาท่านเจตนาจะต่อยสามร้อวินิวินาทีโทสัมันสั่งให้ท่านอยากต่อยเนี่ยสามร้อวิิวินาทีเกิดขึ้นแล้ว ตอนถึงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเจตนาแล้วเพราะสัไอ้ก่อน300ร้อยไม่มีเจตนาเพราะเราไม่รู้เพราะสามิลิวินาทีท่านมีเจตนาอยากต่อยจนกระทั่งต่อยเนี่ยสองร้อยครับมีเวลาห้ามอยู่สองรอยิลิวินาทีก็แปลว่าในหนึ่งพันเนี่ยนะครับหนึ่งพันวินาทีเนี่ยท่านมีเวลาแค่สองร้อ่สองร้อยส่วนหนึ่งพันส่วนท่านมีเวลาสองอส่วนห้ามทันเลยครับ ถ้าไม่ปฏิบัติกบมาฐาถ้าไม่ทันโกรธปุ๊บไปปั๊บเลยโมโหปุ๊บยิงกันเลยนะรถปาดหน้าอยากขโมยขโมยเลยไม่ทันครับเพราะมันสั้นมากมิลิวินาทีสองร้อยส่วนฉะนั้นทางนักวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าท่านจะต้องฝึกสติ พอท่านมีเจตนาหันทิเควีเนี่ยมีเจตนาจะด่าจะว่าจะตีเนี่ยนะมันมีเวลาแค่เบรกตรงนั้นเนี่ยแค่สองร้อยส่วนในหนึ่งพันส่วนของวินาทีไม่ทันเพราะฉะนั้นท่านจะต้องฝึกอะไรครับฝึกให้ความคิดเนี่ยก่อนจะทำอะไรให้มันหยุดอยู่ในแค่เจตนาก่อนให้เป็นมโมดนกับไปก่อนเขาเรียกว่าผัน ปกติเราโกรธเราจะต้องด่าบอกเอากี้ด่านในใจไปก่อนด่านในใจก่อนเพราะฉะนั้นด่านในใจไปก่อนเกวิกีิวิธัทีก็ว่าไปพักไว้ก่อนตรงมโนกรรมแล้วจากมโนกรรมค่อยค่อยเป็นวจีกรรมคือค่อยด่าแล้วจากมโนเป็นวจีกรรมแล้วค่อยไปตีเขาว่าเป็นฝันไปฆ่าเขาเป็นกายกรรม การที่ท่านผันมโนกรรมความโกรธให้เป็นด่านในใจเนี่ยโดยไม่ออกมาทางกายมาทางวาจายท่านเรียกสัพปัญญะมันจะมีใหม่แล้วครัแล้วสัพปัญญะครับถ้าท่านโกรธรู้ว่าโกรธจิตโกรธก็รู้ว่าจิตโกรธ แล้วเราควรจะด่าเขาไหมไม่ด่าด่านในใจก็พอเพราะถ้าด่าไปแล้วไอคนนี้เป็นคนหน้าเราเดี๋ยวมันจะไล่เราออกแค่คิดว่าด่าแล้วมันไม่ดีเขาจะไล่เราออกไม่ใช่แค่สติครับมันเป็นปัญญาครับเขาเรียกสัพปะชัญญะเพราะฉะนั้นในธรรมะมันยิงเรียกว่าสติสัพปะชัญญะ มันเกิดไวมากสามร้อยมิลิวินาทีท่านยังไม่มีสติพอถึงสา0ร้อยมิลิวินาทีท่านรู้ตัวเป็นเจตนาเป็นสติได้แล้วอีกสองร้อยท่านจะต่อยเขาท่านบอกว่าด่านในใจการด่านในใจนี้เป็นสัมปชัญญะครับสอบปรญเทียนยังไง ท่านทั้งหลายสัมปชัชญะก็คือปัญญาที่มาใช้ในสถานการณ์นั้นนั้นชั ญ, ญยักษ์จอยจอยักเนี่ยคือปัญญาท่นี้ในสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ปัญญาเอามาใช้เซ็นเซอร์เนี่ยสัมปัญญะเนี่ยนะครับมันมีสี่อย่างสัมปชัชญะสี่นะหนึ่งสากอากาสัมปชัชญะญในอัจฉกถ า, ามหาสติปัฏฐานสูตรน่ สโตจากสัมปช ا าโนสโตคือสติสัมปชาโนคือสัมปชัญญะสัมพชญญะท่านอธิบายว่ามีสี่อย่างแปลว่าปัญญาครับไม่ใช่สตินะสัมปชาโนนี่แปลว่ารู้พร้อมรู้ทันเนี่ยสี่อย่างสี่อย่างคืออะไรบ้างญาตโยมมาปฏิบัติเนี่ยคือต้องไปถึงระดับสัมปชัญญะเลยมันถึงจะเบรกอยู่ เพราะเราห้ามไม่ให้โกรธมันห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้โลภห้ามไม่ได้มันเราเป็นบุตรชนห้ามไม่ให้หลงห้ามไม่ได้แต่โลคโกรธหลงแนละ้วเรารู้ทันได้เร็วเท่าไหรที่สุดมีสติเร็วเท่านั้ น, ล น, นและพอรู้แล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงที่จะลดโลคโกรธหลงมันเป็นขั้นสัมปชัญญะครับไม่ใช่ลดเดียวๆคุมมันด้วยขับรถปาปหนนะ้าทำยังไงโกรธเอาปืนจะ่าไปยิงมันชักปืนขึ้นมามีสัมปชัญญะไม่ยิง นี่คือปัญญา ค, ครับสามัญญะ ค, คืออะไรครับหนึ่งศาตกักรู้ว่ามันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้าจะทําต่อไปศาตกักมองเพื่อประโยชน์ยิ่งไปแล้วมีประโยชน์ไหมมันตายอ่ะเรารู้จักนั้นได้ไม่รู้จักมันตายแล้วแล้วเราได้ประโยชน์อะไรไหมสากใจอย่างเดียวแต่ใครติดคุกขอรับเราติดคุกแล้วพ่อแม่เราอยู่ยังไงเราติดคุกลูกเราอยู่ยังไง คิดหน้าคิดหลังไอ้ที่คิดหน้าคิดหลังไม่ใช่สติแล้วครับมันปัญญาครับเห็นไหมเวลาเราสอนเนี่ยเราเรียนนักธรรมตรีเราไม่เคยคิดย่อยขนาดนี้และเราต่อให้พูดก็ทําไม่ทันถ้าคนใจร้อนคิดทันหรืคิดหน้าคิดหลังเนี่ยไม่มีทันทันเลยวัยรุ่นใจร้อนเนี่ยเอาคุณจะเอาก้อนอิฐไปปลาไอ้รถที่มันสวนมาถ้าเ่องที่นรู้จักเรื่อมันคว่ำเนี่ยจับไม่ได้ตัวจริงแต่ใครตาย คนนั้นตายเขาเดือดร้อนบาดไมบาดแค่คิดบาดมันก็ไม่อยากคําแล้วและเอาสมบัติของคนที่เขาไม่รู้อีโนยเนลูกเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาตายเนี่ยเพราะเราไปปางก็อินใส่ย์เขาเนี่ยมันมีความสุขตรงไหนคนที่คิดหน้าคิดหลังนี่ระดับปัญญาครับแล้วไม่เคยเข้าวัดควาเท็จวังทัศนปัญญามันจะมาจากไหนเนี่มีแต่โจนเนี่ยสอนกันอยู่นั่นแหละขโมยเลยลูกโกงลยลูก พ่อแม่สั่งสอนมันมีแต่มิจฉาทิฏฐิแล้วบ้านเมืองเนี่ยมันจะยูนกันได้ยังไงก็ผูแต่ไอ้โทรทัศน์เนี่ยแยกอาหารกันกินแย่งทิ้งกันอยู่แย่งคู่กันทีสวรรค์แยกงอำนาจกันเป็นใหญ่โทรทัศน์ลาครทั้งหลายมันสอนแต่อย่างนี้เด็กก็มีแต่มิจฉาทิฏฐิสติมันก็ไป่กินมิจฉาทิฏฐิมันก็เพิ่มป๋ายตันใหญ่เลย เท่าไรมันก็ห้ามไปทัดถ้าพวกเราไม่ช่วยกันสอนไม่ช่วยกันเทศไม่มีเสียงตื่นสติเพราะฉะนั้นทําไมผมจึงเทศจึงพูดอยู่เรื่อยเพราะอย่างน้อยให้มันเกิดสัมมาทิฏฐิพอสัมมาทิฏฐิ <S <S มันจะเกิดปัญปญาปัญญาะพอจะยิง ก, กันตายเลยเพราเรารู้จักกันไหมมันมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์งั้นอย่าไปทํำมันมีแต่โทษติดคุกและพ่อแม่อยู่ ใ, ใครลูกอยู่ ใ, ใครเราไปขึ้นเดะไอ้ป้ายอะนะ เมาแล้วอย่าขับลูกรออยู่ที่บ้านไอเมาแล้วมันขับเนี่มันจะมีสติตรงไหนครับแล้วตอนนั้นมันจะคิดถึงลูกไหมไม่คิดหรอกครับเมื่อสติไม่มาเพราะเหล้ามันมองปัญญามันก็ไม่เกิดสัมปชัญญะมันก็ไม่เกิดมันก็ขับเร็วอยู่ดีแล้วมันก็ชนกันแล้วมันก็ตายไม่ทันไปเห็นหน้าลูกหรือไปชนก็ตายไปติดคุกลูกไปเยี่ยมในคุก เห็นไหมขึ้นป้ายมันมีประโยชน์ตรงไหนถ้าเมาแล้วอะ่ะไม่มีหรอกแต่มันมีประโยชน์ตรงที่คุณอย่าไป่ด่นสงกรานเนี่ยเพราะคุณจะไม่มีสติและสัมปัญญามันก็จะไม่เกินเหยียบไปร้อยสี่สิบฮึกใหญ่ไม่ได้นึกถึงพัยเลยครับแต่ถ้ามีสติร้อยสี่สิบรู้ รู้ไปรู้มันเบลอเลยสติมันเบ ล, อ ม, บลอมันเมาขับย้ายเละแข็งไอ้คณะตายกันกู่สติมาปัญญาเกิดสติตาเลิศเกิดมาปัญญาคือสัมปชัญญะข้อที่หนึ่งศาสตะในมหาสติปัฏฐานาสูตรเนี่ยท่านบอกเลยอัตตกถานสะสโตสัมปชานน์ไอสญญ้สัมปชัญญะในสี่หนึ่งศาสตะสัมปชัญญะ รู้ว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ที่เราจะพูดจะทำจะคิดถ้าเรียกอย่างคิดเนี่ยถ้ามันไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูดมีแต่โทษก็ไม่ต้องทำทำไปที่มันมีประโยชน์ถามว่ามีประโยชน์ไม่มีมีเราพูดต่ออาหารนี่มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ต่อร่างกายทานอร่อยไหมอร่อยแต่มันเป็นโทษมันแสลงทาให้ความดังเพิ่มบาหวานเพิ่มยาไปทา้าย คนไม่มีสติพออ ร, ร่อยไปเป็นโรบใช่ไหมฉันเข้าไปแล้วแล้วระเสียใจภายหลังยาปกัดก๋ยวแค่สติพอจะใส่ปาดไม่แล้วถ้าปัจจยัตยักษบอกมันเป็โนโทษเราไม่ฐานบางทีฐานเข้าไปแล้วบ<อ>าคนต้องโกรอ้วนนะไดนาเจ้าจหญีใไหนาไปงานปาร์ตี้ ทานเข้าไปกรู้วักลับไปถึงวันครับต้องไปล้วงคอนะ่ะให้อาเจียนทรมานทรมารมาสู้ไม่ทานตั้งแต่ต้นดีกว่าแต่สติมันเกิดไม่ถังอ่าหนึ่งเรื่องประโยชน์สันติกานะครับสองเรื่องอะไรสัต ป, ป่ายยาสัปชัญญะพูดมาแล้วมันเป็นสั ป, ปา ย, ยักหรือไม่สัปปา ย, ยาัเช่น อาหารที่เร า, า, เราทานเนี่ยเขาจริงจะอธิบายเรื่องนี้แหละถ้ามันเป็นโทษมันไม่เป็นสัพพายากแก่เราเราก็ไม่ทานอย่างนี้ข้อที่สามโคจรัสสัมปัชัญญัตหมายถึงให้มีสติ ต, ตามงานที่เราทาทุกอย่างบางท่านี่พอมาฝึกปฏิบัติกรรมฐานเนี้ดีๆนะจิตสงบแต่พอออก กลับไปอยู่วัดขี้โมโหมันเดือดขี้โกรธ ม, มันเดือดกรรมฐานมันไม่ตามไปที่งานโคจรักคือโคจรเดินทางไปไหนกรรมฐานต้องรักษาตัวเราไปด้วย <c oughs> เหมือนกับเวลาที่เราอยู่ตรงนี้ยุบหน่อคลองหน่อเนี่ยมีสติแต่ไปบินขบ่ายอาจจะต้องเจริญอสุภะอาจจะเจ้ามินแผลเมตตาแล้วแต่ว่าท่านทํางานเกี่ยวกับเรื่องอะไรกรรมฐานหลักท่านต้องมี แต่กรรมาฐานในในช่วงที่ท่านไปทำงานเนี่ยสมมติท่านไปอบรม ล, ลูกศิษย์ท่านจะต้องแผ่เมตตาท่า ร, รับลูกศิษย์ต้องเพิ่มข้มาถ้าท่านเป็น เ, เป็นพ่อเป็นแม่ลูกเราป่วยตอนนั้นจะต้องกะรุณาคือสงสารพาไปโรงพยาบาลในพระวิหารคือจะมีกรรมาฐานที่สอดคล้องกับงานที่ทำเขาเรียกภูจาระ อย่าไปทิ้งสติอย่าไปทิ้งสัมปชัญญะสุดท้ายอสัมโมหะสัมปชัญญะแปลว่าไม่หลงมีสติไม่หลงเนี่ยหมายถึงว่าไม่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสโลภโกรธหลงโดยเฉพาะตัวโมตัวหลงตัวโมหะ ไม่ให้เจตนาที่เจอได้โมหะมาคุมพฤติกรรมเขาก็าโมหะในที่นี้คือหลงตัวกูของกูที่ท่านเพือท่าสอนนักสอนหนานี่คืออ่ะสัมโมหะสัพพัญญะแต่ท่านก็ได้ใช้สัพธรรมะถ้าเราไม่มีตัวกูของกูนี่เราจะไม่โลภเราจะไม่โกรธเพราะปฏิบัติกรรมฐานที่ท่านเคยอ่านไหมปฏิบัติไอ้เรื่องจเจริญอสุภกรรมฐานนี่เห็นแต่ตัวเราเป็นกระดูก เขาก็เป็นกระดูกเดินได้เดินสวนกันถ้าคนไอ้ที่สวนเราด่าเ้าเนี่ยเราโกรธไหมถ้าเราไม่หลงเราก็บอกว่าไอ้กระดูกเดินได้ดา่ากระดูกเดินได้แล้วมันจะมีอะไรต้องโกรธ น, นี่คืออาสัมปองอะ่ะพระชัญญาเราเกิดมาเดี๋ยวมันก็ตายจะไปอะไรก็นักกณาลาบยศยศนั่นลาภพาไปไม่ได้เด้ แล้วท่องกันประจบยศและล่าพาไปไม่ไแ้ๆคงเหลือแต่ต้นหุนบุญกุศลของทุกสิ่งทิ้งไว้ในสกลร่างของตนเขาอยักเอาไปเผาไฟคือสอนอาสามโมหนะอย่าลงไปยืดไปติดเห็นไหมดูสิไอ้พัยดยศเนี่ยเขายากเอาไปเลยอะพายเผาเพื่อนเด อ, เอยังไม่ทันเผาแลวมันจะเอาไปเล้ก็เบอร์ทวคืนเลย ไม่ไอ้กอดยังไปตายนีแย่งกันนักกระนาตอนนี้มันมีอะไรบ้างแล้วเราจะไปเอาอะไรเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าท่องกันครอกเดี๋ยวผมว่าท้องใดีวนงแต่ในมันเกิดไม่ทันเพราะท่านไม่มีสติแย่งกันอยู่นั่นเลยปีนี้ไม่ได้โอเครียดเกือบตายความดันพุ่งเลยปฏิบัติกรรมฐานก็ช่วยไม่ได้ เมื่อเจ้ า, ม, ามีอะไรมาด้วยเจ้าแ ล, แ, แล้วจะเอาแต่ ส, สนุกสนุกฉไหนมามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาท่องก็ได้บนโยนผู้หญิงก็ท่องได้แต่พอใครไปแย่งสามีิเสียท้องเท่าหั ว, หวไม่ยอมเสียหัวให้ใครอะมันมาไม่ทันเพราะท่านไม่ได้ตั้งสติและสัมปชัญญะมันก็เลยไม่เกิด ธรรมะมันก็เลยไอ้ธรรมะที่เราสอนทั้งหมดเพื่อจเจริญปัญญาคือสัมปัจฉัญญาท่านให้ปัญญามามาสอนให้มันถูกต้องกับสถานการณ์นั้นท่านไม่หลงท่านก็เกิดสัพพัญญาผมก็พูดอย่ามีสติครับผมดูนาฬิกาแล้วหมดเวลาแล้วเพราะท่านจะต้องฉันเพศแต่ผมไม่ได้อยู่ฉันนะครับเดี๋ยวรัฐมนตรีมาที่หมหาจุฬาผมก็จะต้องไปที่นั่นไปเตรียมต้อนรับ เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปฉันมากแล้วครับเร่องตัวปัญญาษ์ครับมันไม่ใช่มีประโยชน์เท่าไรหน่อยมันมีแต่เป็นเพิ่มความดันอดๆว่ากัรี่เรื่องเออยู่ฉันแล้วเดี๋ยวมันก็ไปโอ้ไม่ทันครับผมจะต้องไปงานต่อที่มหาวิราท่านแ้องันีกระทรวงวัฒนศัพทมาที่จริงตอนเช้าก็มีงานแต่ว่าผมขอมาที่นี่ ตอาอพบกับพวกเราพบ ก, กับญาติโยมสาธุชนฝากไว้สองเรื่องเท่นั้นสติกับเทปัญญาสติมาปัญญาเกิดสติตะเติบมะเกิดปัญหารครับฝากไว้แค่นี้ครับในเชื้อสุดนี้ขออํานาจเห็นคุณพระศีีรานตนาซัยและมหากรุศลที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานนี้จงมารวมการเป็นตบะเป็นดีถ้าเป็นพลวะปัจจัยอำนว ย, ย, ยอวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม ยิ่งยิ่งขึ้นไปอาจสามารถในการปฏิบัติศาสนกิจเป็นประโยชน์ภัยศาลแก่พุทธบริษัทโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปโภควัณฑ์รายง่วประสง์จำลองหมายสิ่งใดก็ให้ผ่านสมเบ็จสมโนรถุมาปรานานทุกประการตลอดการลัตน์เถร